ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admissions.rmutk.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโทรศัพท์ 02-287-9625 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคม2512 ทีตีรัแสงวุ่นเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงานธนาคารโลกเตรียมปรับลด GDP ไทยอีกรอบในเดือนกรกฎาคมนี้เหตุได้รับผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐและจีนนายเกียรติพง์อริยะปัญญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยธนาคารโลกกล่าวในงานสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่าเงินและตลาดหุ้นว่า สงครามการค้าระหว่างสาหรัฐและจีนมีความไม่แน่นอนมากขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีซึ่งต้องติดตามเศรษฐกิจจีนหากเติบโตน้อยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียแต่เบื้องต้นประเมินว่าเศรษฐกิจจีนยังโตร้อยละหถือว่าชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ยอมรับว่าความไม่แน่นอนทางการค้ายังมีอยู่สูงมากจนกระทบการลงทุนให้ชะลอตัว ซึ่งการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทยเติบโตน้อยกว่าปีที่แล้วทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม2562ธนาคารโลกจะทบทวนอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยอีกครั้งที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.8 ในปีนี้และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 ในปี2563 ซึ่งขณะนี้กำลังเก็บข้อมูลเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมแต่ยอมรับว่ามีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าระหว่งางสหรัฐและจีนทําให้มีความเสี่ยงที่จะปรับลด GDP เศรษฐกิจไทยขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ก, การลงทุนใน 1-2 ปีนี้ หลายโครงการลงทุนที่ผ่านขั้นตอนการประมูลและการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วและเริ่มทยอยเบิกงบลงทุนแต่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนในอีก3ปีข้างหน้าหลายโครงการอาจจะชะลอออกไปเพราะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี